บุ๊กทูหกสิบที่ธนาคารอิบังค์นผมต้องการเปิดบัญชีไจวิลเกร์เนอเนิงคอนโตนี่คือหนังสือเดินทางของผมเฮเอมิดส และนี่ที่อยู่ของผมโอ้ oh, here is my address ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม will gerne yeah, i n b e t a l penge på min konto ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม yeah, I will gerne hæve penge fra min konto ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง่ารรครันต้องการจัดการเงิน ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันฉัาการโอนเงากันนี่ลที่มนี่คือเลขที่บัญชีของผมนี er ่คือเลขที่บัญชีของผมนี่คือเลขที่บัญชีของผมนเข้า่บองนือเข่บังคือบัองน่คขบองคืบัผมคอบงผมต้อลงการแรเลงินเงผมน peng อเขอบค ผมต้องการเงินดอลลา่าสหรัฐฉันาอกรอ่าหรัุ่อยอรุอยคอรุรกรุณาขอแบงก์ย่อยครับเฮลท์สสมซเดอร์ที่นี่มีตู้เอทอไหมครับมีครับ have, ามารถถีรับอีครับมีครับมีครัมีครับมีรับมีครัครับมีรบครับมีคมคับมับมีคบคัมั